วิมุตติมัติโดยพระอาจารย์ปราโมปาโมชโชขอความการุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันหรือนำไปปลอมปนไว้ในบทประพันธ์ธรรมะซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติ ที่เน้นความรู้สึกตัวเรียบง่ายและหลัดสัน้นบทที่หนึ่งคุยกันก่อน บทความเรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่อเล่าให้เพื่อนๆทราบถึงวิมุตติมรรคหรือเส้นทางแห่งความหลุดพ้นซึ่งเรียบง่ายเรื่อนรมและเป็นทางนำให้ประจักษ์ถึงนิพพานซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เองเส้นทางสายนี้มีผู้พยายามสแสวงหากันมามากมายแต่ไม่พบจนกระทั่งพระพุทธเจ้าส่งคนพบและพวกเรา จะพบเส้นทางสายนี้ตามพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายหากได้ศึกษาบทเรียนสามบทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ซึ่งเมื่อดําเนินตามเพียงไม่นานเราจะรู้สึกได้ว่านิพพานอยู่ไม่ไกลเกินหวังแต่ก่อนจะกล่าวถึงวิมุตติมักผู้เขียนขอเชิญชวนเพื่อนผู้สนใจธรรมะให้เปลี่ยนความรู้สึกของตนเองจากการเป็น นักปฏิบัติไปเป็นนักศึกษาเสียก่อนเพราะคำว่าปฏิบัติเป็นสิ่งที่หลอกล้อพวกเราให้รู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมดาเพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมดาในขณะที่คำว่าศึกษาบอกให้เราทราบว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือการเรียนรู้ความจริง และสิ่งที่ได้มาก็คือองค์ความรู้ทั้งนี้การเรียนรู้ความจริงในทางพระพุทธศาสนาก็คือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราอันได้แก่รูปนามกายใจนี้เองสำหรับวิธีเรียนรู้ความจริงก็ได้แก่การเจริญไตรสิกขาหรือการเรียนรู้บทเรียนสามบท อันได้แก่ศีลจิตและปัญญาจนเกิดองค์ความรู้คือความรู้แจ้งอริยสัจอันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยการรู้ทุกคือรู้แจมแจ้งในความจริงของรูปนามกายใจว่ามีลักษณะเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเราเมื่อรู้ทุกแจมแจ้งแล้วก็เป็นอันละสมุทยัย หรือตันหาอันได้แก่ความอยากที่จะให้ตัวเรามีความสุขและผลทุกข์แล้วประจักษ์แจ้งนิโรธหรือนิพานในฉับพลันการรู้ทุกจนละสมุทยัยและแจ้งนิโรธนี่แหละคือการจเจริญมักพึงทราบไว้เลยว่าผู้ใดเข้าใจอริยสัจผู้นั้นจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริง